คำอารานาแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าจะมาคล้ายกันก็คือเท่าคำว่าวงสัตว์ในโลกาวกิเลสน้อยก็ยังมันแตก อ, าาอืมะฝั ดูดีมากเลยแต่ก็ยังดีนะยังดีไปที่ไหนก็เป็นอย่า ง, งั้นไปฝั่งเหนือฝั่ ง, ง, งตะวันออกอีสานาทำรัตนานก็จะมงองเห็นติดซึมเนียงที่ไหนก็มาคิดกันที่มาน่าจะ ใ, ใกล้เคียงกั น, กนชน่วงนี้ไม่ค่อยได้อยู่ระ่วังพระหน้านี้อยู่คนพระหน้านี่ก็ เชิญชวนเราทุกคนใกล้วัดไหนก็ได้ไม่ยังเป็น้องสันติธรรมชวนกันเข้าวัดฟังเทศปฏิบัติธรรมแจ่มสิทธิ์เราน่องเพื่อจเจริญโดยตามพระยุคลบาทประศาสดารือพ่อของเราเพราะนั้นวันเส็นหน้านี่เราเอาตาราว่า เท็จจริงหรือเปล่าไม่รู้เขาบอกว่าจงกันวันประสูติจสรู้ผรอภิภานจงกันคือวันเดียวกนันเป็นเรื่องที่มาจะเจนมากน้อยคนในโลกนี้จะเป็นคือไม่เคยได้ยินหมายก็ว่าเกิดวันสมว่าเกิดวางคานตายวางคานอันนี้เป็นต้น ม, มันไม่ค่อยมีงราแบบอัจฉริยะบุคคลบุคคลพิเศษแต่ก็ น, น้อยในประวัติศาสตร์แทบแทบไม่มีที่จะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนที่เป็นมงคลเป็นเดือนถ้าพูดง่ายๆคือวันเกิดพอจสรู้มันเราไม่ค่อยรู้จักอาก็วันตายภาษาเราง่ายๆอยงนี้ เกี่วกัการเกิดกับการตายของผู้เจียนเราต้องมาดูว่าเราเราได้อะไรแปลวันเกิดเราก็ค่อยนึกนึกไม่ค่อยออกมันนึกได้กัน Happy birthday to you ชยโยชยโยไม่รู้ว่าชายโยอะไร Happy birthday to you คืออะไรถามว่า วันเกิดแฮปปี้ไหมแฮปปี้จริงไหมทำไมเราไม่เรียกเป็นอย่างอื่นมันจะได้ไม่มีมาหะไมครอบงำเราก็ตั้งใจฟังนิดหนึ่งเดี๋ยวฝั่งโน้นพระธรรมวจะมีอย่างนี้เหมือนกันนะแต่ตางโ้นก็บอกเทอนให้คนตายฟังเราเป็นคนเป็นนะนยังไม่ตายนะ แต่เราเน้นเท่ในคนตายฟังเอาคนละาฟังดูด้วยว่าคนเป็นอะคนตายเป็นไัไเเราพูดถึงเดือนนี้เป็นเดือนที่ครบของพระพุทธเจ้าครบก็คือทั้งวันเกิดวันตรัสรู้จริงๆน่าจะบอกว่าวันตรัสรู้น่าจะเราจะพูดว่าวันเกิดครั้งที่สอง คนเราโดยปกติจะเกิดครั้งเดียวมีพระพุทธเจ้านี่แหละแล้วลก็พระอาหารหันต์เท่านั้นที่เกิดสองครั้งเรียว่ทวิชาติคือเกิดสองครั้งแล้วเกิดแล้วก็ไม่ได้ตายก็ไม่ได้ดับอย่างเราคือตายไปเราได้ตายเพื่อเกิดแต่ตัวท่านเกิดเพื่อไม่ตายนี่คข้อแตกต่าง กิรดับก็คือนิพพานนั่นเองแล้วอะไรมันดับที่นี้อะไรมันเกิดอะไรมันดับอะไรหมายคก็ว่าอะไรเป็นเหตุในการเกิดอะไรเป็นเหตุในการดับเพราะนั้นวันนี้วันเดียวจึงเป็นวันที่เราพิทธัวไปศึกษาเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้เมื่อกี้มองไป ร, บรอบๆข้างบน ฟ้าผนังบนมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์อันนี้ยังน้อยนะแค่แค่ต้นแบบตัวอย่างที่เป็นลูกตาตาคตที่แท้จริงก็คือเกิดสองครั้งวันพุทธจาไม่ได้เกิดอย่างเราเราก็ไม่ได้ตายอย่างเราพยายามมองแต่ละองค์แต่ละท่าน แต่มันก็มีเหตุปัจจัยมันไม่ได้ว่าจะเป็นทุกคนท่านสะสมเรียาบารมีและบารมีเต็มก็ถึงฝั่งแล้วส่วนเรายัางสร้างบารมีอยู่เพราะฉะนั้นอะไรที่เราสร้างได้ทําได้ในบารมีทั้งสิบทัศนในกรรมะก็หนึ่งในนั้นศีลก็หนึ่งในนั้นในบารมีทั้งสิบทัศน ก็ถือว่าช่วงที่เรามาบําเพ็ญบารมีเพื่อศึกษาเรียนรู้แต่ที่สำคันคือความเกิดความตายพระพุทธเจ้าดํางบอกไม่ใช่เรื่องความอยากคนไหนก็ไม่ใช่เรื่องของตัณหามันเป็นของมันเองถ้าถามว่าใครว่ามองหน้ากันอยากตายไหมเนี่ยความตายไม่ใช่เรื่องความอยาก มันไม่ใช่ตัณหามันเป็นโดยธรรมชาติของมันมันเป็นวิถีชีวิตของธรรมชาติเกิดก็ต้องดับเกิดแล้วก็ต้องตายเกิดแล้วไม่ตายไม่นืไม่มีที่ไหนในโลกนี้ที่เป็นอย่างนี้คือวิทยาศาสนาเราที่สอนขความบุญต้องไปต้นจนจบแต่พูดยังไงสอนต้องไปเกิดจนตายและหลังจากตายเกิดช่วงเราเกิดนี่แหละ ก็มีความดีความไม่ดีอะไรบ้างตอนนั้น พ, พูดคุยสู่มื้อเช้าเราก็พูดเรื่องสัญญากับปัญญาถ้าเรายังใช้สัญญาอยู่ซึ่งมันก็ต้องจําเป็นก็ราะใช้สัญญาเพื่อข้ามสัญญาตัวนี้ให้มันเป็นปัญญาแปลงให้เป็นปัญญาให้ได้ตราบใดที่ปัญญาไม่เกิด คือแสงสว่างไม่เกิดเพราะนั้นปัญญาตั้นจะเปลี่ยนมือแสงสว่างเกิดขึ้นที่ไหนกําจัดความมืดที่นั่นสว่างมากสว่างน้อยก็คือปัญญามากปัญญาน้อยแต่แสงสว่างที่พระเจ้ามุ่งนะั้นหมายถึงแสงสว่างที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองตอนนี้นเราไม่เห็นตัวตนของเราเลยท่านเราไม่เข้าใจว่าตัวตนของเราคืออะไรผู้เจ้าบอกให้สั้นๆ ให้รู้ว่เข้าใจเรื่องรูปเรื่องนามอมแต่พวกนายคือร่างกายร่างกายเป็นรูปหยากประกอบด้วยหลายส่วนที่เป็นภาคส่วนเดี๋ยวผู้ยางเราดนจอให้มันเห็นมันสั้นลงคือรูปกับนามตอนนั้นสุขหรือสุขมันก็ลงตรงนี้แหละ ถ้ามใมันสุขท่าน ม, มันทุกข์ก็ทาอะไรดูทั้งห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นที่มามาทำไมถึงทุกข์ม า, ถ, ามถึงสุขรูปมันไม่ใช่แค่รูปสิ่งที่ตามมาจากรูปก็คือรูปเสียงกลิ่นรสปุถุพะนั่นคือคาตาบริวารของรูปเขา เขามีเพื่อนมีคลรามิสเป็นฝู้มาอย่างนี้แหะทําไมนะบอกเป็นเพื่อนก็เพราะว่ารูปนี่แหละเป็นที่มาของการปรุงแต่งจะปรุงให้สุขปรุงให้ทุกข์เหมือนข้าปลาอาหารปรุงให้เค็มเปรี้ยวหวานมันอย่าไปโทษอาหารไม่ได้ต้องโทษคนปรุงเราตักอาหารเข้าไ ป, ปข้าปลากพราะว่าทำเค็มจังแล้วก็ไปโทษอาหาร ทําให้มันหวานจังเริ่มไปโทษอาหารสรุวเค็มไม่อร่อยแต่ไม่โทษคนปรุงนะนเขาเรยกว่าโทษผิดคนเพราะรูปเสียงกลิ่ น, น, นรสเนี่ยทําให้เราเกิดความหลงเกิดการเข้าใจผิด เ, เรื่องวิชาเพราะฉะนั้นรูปเสียงเกลือผภะที่เรียกว่าขันห่านะ่เป็นที่ตั้งทองถ้าไม่มีรูปตัวนี้ก็อาศัยอยู่ไม่ได้ พลเมฆอาศัยรูปอยู่เพื่อมีรูปใส่มันก็อาศัยพลมาปรุงเราจึงเรียบรูปในทางปริยัตว่าสังคตธรรมแปลว่าทำอันสังการปรุงแต่งคือเป็นเครื่องปรุงเครื่องแต่งเอามาปรุงเอามาแต่งแล้วก็แต่งในสี่สุดถ้าไม่อยู่กับรูปก็อยู่กับเสียงอยู่กับเสียงก็อยู่กับกลิ่นอยู่กับกลิ่นอยู่กับรสรสกับผลิตภะหรือว่าทำมารม มันก็วนเวียนอยู่เนี่ยเปลี่ยนหน้ากันมาเราเป็นคนก็เปลี่ยนสี่ห้าคนหกคนไม่เกิดเนี่ยมีแค่นี้แต่เราก็รู้ไม่ทันแค่หกคนเราจะไปพูดถึงคนเจดไปพันล้านคนในโลกนี้เอาแค่คนนี้ยเป็นตัวแทนก็หกคนเรายังรู้ไม่ทันที่รู้ไมทันเพราะไม่มีสติหรือมีสติแต่น้อย มันก็ทําอะไรไม่ได้มังกายเป็นความหลงความหลงมันก็วนไปเวียนมาทําไมต้งเกิดความหลงเพราะว่าล่องความคิดจะแสดงมาเป็นคํำพูดหรือการ ก, ากระทํำโดยเฉพาะววัฏฏะแปลว่าวนมันเมื่เปลวัฏฏะสงสารคือเกิดแก่เจ็บตายนนั้นก็เป็นที่เราเข้าใจกันแต่วัฏฏะที่แท้จริงคือความคิดของเรานี่ยแหละ มันไม่ไปไหนมาไหนมันวนไปเวียนมาอยู่นี่นเรื่องเดิมๆ เ, เดี๋ยวกลับมาคิดอีกเรื่องที่ชอบกระด้างไม่ชอบกระด้างอายังมาปรุงด้วยเอามาเป็นสังคตะอยู่มาปรุงเรียสังคตะธรรมถ้ามันไม่มีการหากก็เอาอะไรมาปรุงเพราะนั้นอีกฝ่ายตรงกันข้ามเรียกว่าอะสังคตะธรรมธรรมอันปัจจัย ปรุงแต่งไม่ได้ถ้าเป็นภาษาเราองเงี้ยถ้าพูดง่ายๆเราก็คือนิพพานนิพพานไม่มีอะไรประจัยมาปรงุงแต่งให้เป็นนั่นเป็นนู้ดเป็นรูปแม้แต่พรหม เ, เองเราถือเป็นขั้นละเอียดแล้วเป็นรูปเป็นอรู ป, ปนะครับพรหมแต่นิพพานไม่มีนั่นไม่สิ่งเหล่านี้ถ้ามีรูปหรืออรูปหรืออากาศอย่างเนี้ยก็ชื่อว่า ยังมีที่อยู่ที่ีพักป่วไงเขา ย, ยังติดอยู่แต่ว่าอาจจะติดอยู่นานไม่ใช่เองพวกเราพวกเราแค่ร้อยปีเป็นหลักแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนอยู่ร้อยปีเจ็ดสิบแปดสิบคือประมาณไม่ถึงกันร้อยปีเหมือนฝั่งโน้นก็ไม่ถึงอายุก็ยังไม่ได้เยอะมากก็ไปแล้วแต่ว่าอีก พบหนึ่งภูมิหนึ่งเนี่ยเขาอายุยืนก็่าเราแต่ข้อที่เป็นอายุยืนแทนที่ได้ไประโยชน์เขาก็ไม่ได้ไประโยชน์อะไรเขายังปรารถนาความเป็นคนเป็นมนุษย์จะดีกว่าเพราะความเป็นคนน่ยมันมีครบขันห้ามมีครบขันห้าคือรูปเวทนาสัญญ า, าสัางการเขามีครบอันอื่นเขามันมีครบ ถ้าพูดงาเหมือนกับอยู่ในความฝันเหมือนเรานอนหลับอยู่ในความฝันแต่อีกโลกหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นเรื่องของความฝันแต่พอตื่นขึ้นมามันก็อยู่ความจริงระตื่นขึ้นมาคืออามารับรู้เหมือนกันการปฏิบัติธรรมการนั่งสมาธิในขณะที่เป็นอุปจระ ม, มีสมาธิอยู่คือ ม, มีสติรู้ผัสสะ ที่มากระทบด้างมันจะเกิดทั้งปัญญาแล้วไม่มีปัญญาเกิดทั้งสัญญาแล้วก็ปัญญาพูด ง, ง่ายๆแต่ถ้าเป็นอัปนามันไม่เกิดอะไรเลยอมไดรับรู้อะไรเลยเหมือนคนนอนหลับสนิทคนนอนหลับสนิทจะไม่ฝันฝันจะไม่มีความฝันนั้นเขาเรียกว่านิมิตภาษานึ่งเขาเรียกว่านิมิต ความฝันถ้ารับสนิทเขาจะไม่ฝันเหมือนนั่งสมาธิถ้ามันสนิทจืิจะไม่มีอะไรมากระทบอัปนาสมาธิมันจะลงลึกไม่รับรู้ข้างนอกเย็นดอนอ่อนแข็งกลางวันกลางคืนหมดเวลาไปคือเวลานาทีไม่รู้แต่พอจิตถอนออกมารับรู้ข้างนอกเออถึงจะรับรู้ แต่จิตมาได้พักเราลคนเรานอนหลับพอตื่นขึ้นมามันก็สดชื่นถ้าไม่ได้พักเลยกลางคืนไม่หลับไม่นอนก็เหมือนกันเหมือนจิตของเราอยู่กลางวันก็ไม่พักกลางคืนก็ไม่พักยินมันก็เหนือ่อมันก็ละก็เลยฟุ้งซ่านจิตไม่สงบพราะนั้การฝึกสติคือต้องการให้จิตเราอยู่กับอารมณ์อันใดอันหนึ่ง ถ้าใครทาได้หรือว่าเกิดขึ้นได้กับบคุคคลใดก็ตามมันจะคือความปิติมันไม่เคยมีไม่เคยเป็นทั้งชีวิตมันไม่เคยเป็นอย่างนี้ที่ได้ควาสุ ข, ขาาสุขอาการปิติสุขอยากได้อยากมีอยากเป็นกลายเป็นตันหาไปโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะขอที่สติมันน้อยเพราะนั้นเบื้องต้นต้องการฝึกนะั่นคือต้องการให้เราฝึกสติ สติสมาธิปัญญาขั้นตอนของเขาจนเกิดปัญญาสติฝึกทุกอย่างรอบตัวเราหรือในตัวเราแม้แต่การสระเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังคุณเท่อยู่ย่อที่สุดสั้นที่สุด ในการเราเลิกนึกถึงพระรัตนตรัยคือการกราบแต่เพราะเออว่าการกราบของเรามันไม่ได้กราบทุกความในสติบางทีลืมเลยซ้ำไปเอกราบกราบครบสามครั้งหรือยังยังไม่กี่วนทีเลยเนี่ยเพราะจิตไม่อยู่กับพระรัตนตรัยบางทีก็นึกไม่ได้มันกราบครบหรือยังหรือกราบก็จับได้ว่ากราบ หัวยังไม่ถึงพื้นมือคำไ้เหมือนแค่พยักหน้าเฉยๆสามครั้งหมือกลับลงพยักหน้าสามครั้งก็ถือว่ากราบแล้วอันนี้เรียกว่ามันไม่มีสติไม่ได้กราบทุกความมีสติถ้ากรามีข้อติกระเดือพุทโธอคุณกับพุรยา ก, กราบครั้งหนึ่งอย่างน้อยทรร ม, มูสังโฆก็ยังดีแต่ถ้าเราบอกว่า อังสมาสัพโตภพังฆวาติอย่างนี้สวสาสวสคตอภกัตถะตมานสามิสุพเทปปโนภาสังฆานามิอย่างนี้ก็จะดูคือพูดในใจบริกรรมในใจจะถามว่าก็เรามีสติเในการรารู้ถึงคุณของพระรัตนะไกคือคุณของพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นการฝึกพุ้นต้นหยับจามธรรมดังเพราะฉะนั้นขั้นตอนเหล่านี้มันไม่ได้อยู่ในขั้นตอนขอชีวิตพวกเรา ก, กราบพรสัตรุดมากรา มันไมไ่ลึกซึ้งไม่ได้การรูความเข้าใจไม่ได้การรู้ความารรถูกต้องเราจรึงห่างจากคุณของพระรรตนารยส่วนเรื่องศีนมันต้งไปห่วงถ้ากายวาจาเราจู่ตอนนี้ท่เมเราไม่เ ช, เ, เช่าเราไม่ได้มาก็มันเป็นศีลทันทีโดยตอตโนมติแล้วก็ทานก็มันจะไปกังวลมากเราทานมาทั้งชีวิตแล้วหรือย่างเดียวศีลศีลก็มานจะไปกังวลสมาธิ ปัญญานี้แหละเป็นตัวสําคัญเป็นตัวเดินเรื่องในชีวิตปัจจุบันของเราดูพระแม่ครูบาอาจารย์เราแต่ละองค์แต่ละท่านประวัติแม้ในในพบนี้ชาตินี้แล้วก็ก่อนหน้านั้นบางองค์บางท่านหลายท่านเกิดทนันพระพุทธเจ้าแต่มาได้สนใจสนใจแค่ฌานสมาธิคือรูปฌานกับอรูปฌานถือว่าสุดยอดะ ว่าอาจารย์ในสวนนั้นก็สอนได้แค่นั้นไม่ได้อาจารย์ข้าพุทธเจ้าเราเองที่สอนในเป็นคารวะก็สอนได้แค่รูปฌานกับอรูปฌานเรียว่าสมาบัติต่อกันั้นก็สอนไม่ได้วูดง่ายๆแค่เช่นพรมต่อยกนั้นสอนม่ไอาจารย์ก็หมดความรู้หมดวิชาผู้ว่าอาจารย์เขาหลายองค์เช่นเดียวกันถ้าเราพูดง่ายๆก็คือผู้ยังเราไปรีพานมาไม่นับอายุ พระ อ, องค์จะเกิดจนหนึ่งแปดสิบศคือนับหลังจากปริภานก็สองพันหาร้อหกสิบแปดปีแล้วก็ออยังมาเกิดในยุค ข, ของพวกเราเพราะนั้นสองพันกว่าปีที่ผ่านมาจิตรูดดวงวิญญาณอ น, นั้นไปไหนไปเกิดเป็นอะไรพอเราคิดว่าเป็นคนตลอดไหม 2,000 กว่าปีแต่สภาวชาติยึงเอา100ปีก็ได้10ชาติ25ชาติเอาแค่100ปีนะเกิดแล้วตายตา ย, ตายแล้วเกิด25ครั้งแต่ที 30, ่สานะ30กลมกลมน่เกิดเป็นอะไรบ้างไปดูธารเกตัมหน้าคิดนะพวกเราก็เช่นเดียวกัน พวกก่อนหน้านี้พวกเราเป็นอะไรมั่งขอจะมาเป็นคนขอจะพบฒนาศาสนาแต่ที่แน่นอนที่สุดคือถ้าใครไม่มีวาสนาบารมีหรือมีพื้นฐานมาก่อนไม่มีทางที่จะเป็นอย่างทุกวันนี้อย่างน้อยสุดก็ต้นทุนนักก็เกิดเป็นคนเป็นมนุษย์รู้สติปัญญาเราจะเห็นระดับสติปัญญาก็แตกต่างกัน ฐานะของสังคมก็แตกต่างกันการเรียนรู้การรับรู้ก็แตกต่างโดยเฉพาะการเข้าวัดฟังธรรมจําำศีลภาวนา น, นี่เป็นเรื่องใหญ่เลยถ้าเราไม่มีวาสนาบารมีคือทํามาก่อนไม่มีทางที่เข้าวัดฟังธรรมจำศีลแสดงว่าเราแต่ละคนมีพื้นฐานมาก่อนที่เป็นคนเป็นมนุษย์ไม่งั้นเราเป็นคนไม่ได้หรอกนะเพราะนั้นให้เราภูมิใจอันนี้ยถือว่า นะกเวลานี้เป็นต้นไปหรือเรามาต่อยอดให้มันดีขึ้นกวบเรามากขึ้นก่บาสูงขึ้นก่าเก่เามันวก็จะเป็นเรื่องพบเรื่องชาติกันดูสองพันกว่าปีมาเรียกขอสักเต็มทึ่สามห้าเจ็ดก็พอแล้วได้ไม่ได้เป็นเรื่องปัง้งเป้าเอาไว้อวธิษฐานเอาไว้ให้จิตใต้สนึกมันจำํำจิตจะได้มีเป้าหมายในการปฏิบัติของพวกเราถึงแม้ยังไม่หมดไม่สิ้น จะมีอยู่ก็ขอให้มันน้อยลงเป็นอย่างน้อยแล้วก็ขอให้เจอพุทธศาสนาเจอครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสามารถแนะได้นำได้กับรอได้แล้วเราสามารถที่จะเรียนรู้ในสิ่ ง, งนั้นก็ปฏิบัติตามเยาตามได้ได้ผลในระดับใดหนึ่งก็ตามก็ถือ ว, ว่าได้ผลแล้วในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นต่อยอดและหลังจากนี้เป็นตไปอีก ก็เช่นเดียวกันครูอาจารย์ที่จะเป็นเหมือนร้อยกว่าปีห้าสิบปีก่อนที่จะเป็นเหมือ น, นยุคนั้นเริ่มน้อยลงเริ่มยากลงเข้าไปอีกสมมติเราจะหมดไปเกิดในยุคหลังจากนั้นอีกมันจะเกิดอะไรขึ้นสัทมปฏิรูปอาสัทมปฏิรูปเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายท่วนก็เริ่มเป็นแล้วเริ่มมีแล้วแตกต่างหลากหลาย โดยมันจะยึดเอาต้นแบบต้นฉบับก็คือปไตยปดกเีกาอนุเีกาโดยแล้ตัวจะอัตกรถาก็าคือตัวอธิบายเนื่องจากภาษาบาลีเข้าใจยากก็เป็นอัตกรถางีกาอนุเีกา้าอันนี้คือเรื่องเราจะต้องถ้าเป็นฝ่ายปริยัตจะต้องยึดเป็นหลักเลยกรถาของของเราเนี่ยเรามีความรู้มีความเข้าใจมากน้อยขนาดไห น, น ก็ถือว่ยังมีความรู้น้อยน้อยมากกระเถือเป็นประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจว่าเราอย่างนั้นเราจะไม่มีทิศทางเมื่อเกิดมาก็ทํางานทํางานแล้วเกษียณเกษียณแล้วก็ไม่ ร, <Okay. S 1> ร, รู้จะไปทําอะไรทำหมดหน้าที่หมดภาระคือปลดระวางแล้วไม่รู้จะไปทําอะไรหลังจากนั้นแต่พออายุยืนหน่อยก็ถ้ามีลูกไม่มีหลานก็ยิ่งลาบากครับอีก ดังนั้นถ้าเราไม่เริ่มฝึกตั้งแต่บัดนี้ให้เข้าใจวิธีวิธีคิดวิธีพูดวิธีธธทำก็คือกรรมนั่นแหละการกระทำของาตัวเองมันก็เป็นเรื่องยากลําบากเพราะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนมงคลที่เราจะต้องน้อมระลึกนึกถึงว่าพระเจ้าอย่างที่กล่าวนําเบื้องต้นว่าถ้าพวกเราเ ก, เกิดแก่จ็บตายเกิดแล้วก็ตัดสรู้แล้วก็ตายคือปฏิาพานแต่เราก็ไม่ได้ว่าตายดูพระเจ้าเป็นหลักว่าการเกิด แกเจ็บตายก่อนหน้านั้นพ่ะพุทธเจ้าก็เห็นสิ่งเหล่านี้แม้อยู่ในรู้ในวังเห็นการเกิดการแก่การเจ็บก็สมณ ะ, มณ ะ, มณะก็เห็นสัมณะสํานะมันก็เห็นออกนองเมืงองเช็นสิ่งเหล่านี้ก็เก็บมาคิดตั้งแต่เด็กว่าทําอย่างไรถึงจะพ้นจากสิ่งเหล่านี้ก็พ้นจากก็ตายพูดย่าไงทําไงยทีเกิดแล้วไม่ตายซึ่งไม่มีใครคิดในโลกนี้ คิดไม่ได้ผมมันต้องมีหนทางที่เกิดแล้วจะไม่ตายเรียว่าพน้นอะไรที่เปนเหตุให้เกิดพน้นจากสิ่งนี้เรียกว่าโมฆะธรรมโมฆะธรรมนั้นเป็นภาษาพราหมณ์เขาไปใช้ทางโมขะอันนี้แต่พระพุทางเราก็ก็ใช้ในทางพุทธไม่ได้ใช้เหมือนกับพระพราหมณ์เห็นว่าหลายศรรัพท์หลายแสงก็เอามาจากพวกเขาเช่งการลอยบาปอย่า ง, น, งนี้ที่ซึ่งเราไม่มี แต่ก็ยืมก็เอามาใช้เป็นภาษาของเราตอนนี้คือพุทธเจ้าเพราะนั้นเราควรจะพูดทางสนาเกษตรเนื่องเป็นคุณของพูุ้ทธเจ้าเนื่องตั้งแต่เกิดจนตายพูดทางนั้นเมื่อเกิดเกิดของพูะุทธเจ้านนะเกิดมาอย่างไรเกิดเพื่ออะไรก่อนที่เกิดเป็นพูุ้ทธเจ้าท่านเป็นอะไรมาบ้างไม่ใช่ใครก็เป็นพูุ้ทธเจ้าทั้หมดทาเป็นได้เป็นได้ทุกคนเป็นได้ แต่กว่าจะเป็นนี่สิมันไม่รู้เกี่ยวกับกี่กันเป็นได้แต่ว่ากว่าจะเป็นเพาก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าอย่างพวกเราเนี่ยเราพุทธานดอนหนึ่งเลยพุทธดรคือพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งปราติขึ้นในโลกเหลือพุทธทานดรก็จะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ทุกรูปทุกนามที่เกี่ยวข้องจะหลล้วน มีควาเกี่ยวข้องกันทั้งนั้นไม่ได้มีการบังเอิญไม่เคยเจอชั่วครั้งก็ไม่มีผู้พวเราเช่นเดียวกันนะมันไม่มีอะไรบังเอิญเพราะงั้นก่อนที่จะเจอแล้วก็โปรดคนนั้นคนนีนน้คุณโน น, น, น, น, นช่วงนเอาวลาใช้เวลาสี่สิบห้าปีที่เป็นสี่สิบห้าปีที่มีคุณค่ามากต่อโลกใบนี้ต้องบอกว่าอย่างนี้แล้วก็ผลิตบุคลากร ที่มีคุณภาพคือพระอ า, หารหันนั่นเองอังนั้นก็ไม่มีพวกเราเนี่ยนี่คือพระพุทธเจ้าแต่การเกิดการตัสรูท่านตัสรู้ได้อย่างไงตัศรู้อะไรบริภานป่วยงานคือปษาเราคือตายแต่เราไม่เรียกว่าตายเรทาทันแปลว่าดับอะไรดับล่ะดับโดยมีกิเลสเหลือดับแต่กิเลสยังเหลืออยู่ นี่ขาวคาว่าดับหมายคำว่าตัสรู้ในขณะที่ยังมีชีวิตยอยู่แต่ไม่ได้แปลมีจิเลสอยู่อันนี้คือประเภทหนึ่งประเภทงก็คือดับโดยไม่เหลือทั้งสองอย่างา น, นั่นก็แสดงว่าคือป้หมายของพวกเราคือป้าหมายที่พระเจ้าวางเอาไว้พระเจ้าจึงประมวลทั้งหมดอันเนี้ไปพูดรุ้นบันมาคะคืเดือนสาม หลังกระตัดสูแล้วพระองค์เสวยอีพุทธิสุภอยู่ห่งละเจ็ดวันเจสถานที่เจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าเกือบ5้าสิบวันเกือบสองเดือนกวาพิจารณาถึงอัดถึงทำที่พระองค์บำเป็นมาทั้งชีวิตครั้งในอดีตเป็นกลับเป็นกันมานี้ทายังไงที่จะพูดให้คนเข้าใจได้ ม, มันไม่ใช่ง่ายๆจนไม่อยากจะบอกใครเพราะว่าสิ่งที่บอกไม่ใช่ง่ายๆสุดท้ายก็มันต้อถึงมัจจ า, books, า, จาว Warrior, คีเป็นที่มาคือธรรมจักรคือการแรกนี่เองน่ะอันนี้คือคนของพระพุทธเจ้าคนของพระธรรมถ้าไม่มีพระธรรมอย่างนี้เราคงไม่เป็นอย่างนี้คุณของพระสงค์พระสงค์หรือพระแม่ครูาอาจารย์ถ้าไม่มีผู้เราคงไม่เป็นอย่างนี้เดีย๋ยพูมพูดเหมือนกันถ้าไม่มีครูาอาจารย์คงไม่ได้เป็นอย่างนี้ ตั้งแต่ดเด็กตั้งแต่แนน้อยก็มาถ้าไม่มีครูอาจารย์เขาไม่มาถึงขนาดเวลาตั้งแต่แนน้อยอยู่ประจำังมาห้าสิบสามปีแล้วจะวออกพรเหลืองมาออกมาห้าสิบสามปีแล้วเพราะฉะนั้นระยะเวลาแต่ห้าสามปีที่ฟังมาเป็นเวลาที่คมคุ้มค่ามากคําหนึ่งที่อยู่ได้ที่วันนึ้นก็เพระหลวงปู่ เรพูดจะพูดว่าคือตอนเด็กกันยังไม่เข้าใจความหมายแต่มันสะดุดคำบูดบอกว่ากามเนี่ละมันสักชาติหนึ่งได้ไหมซึ่งก็ยังไม่เข้าใจคามที่เป็นเด็กเป็นเอ็นนไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรแต่ก็เ ข, ข้าใจเข้าใจเดควาอเป็นเด็กว่าเข้าใจว่าบูดแล้วไม่สึกสักชาติหนึ่งเข้าใจแค่นี้ ที่กระจายเลือกซื้ก่อนนี้ไม่มีแต่เป็นคําที่กินใจมากเลย็สะดุดใจก็ อ, อยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ตอนนั้นยังไม่เข้าใจแต่เนี้เข้าใจว่าคืออะไรคือการไ ม, ม่โบยพวกกามละกามถึงมันมันละมันไม่ได้ยังไม่ต้องไปใช้มันก็ดีก็ยังดีคือเราละมันไม่ได้โดยสิ้นเชิงแต่เราก็อย่าไปใช้มัน ถึงได้เข้าใจพอโตมาผดโดยเพราะเป็นพระโดยหูวงพระพากฎบัตรเข้าใจอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองอความไม่ไม่บริโภคการรสชาติหนึ่งเป็นอย่างไงก็เหมือนกับท่านทั้งหลายที่ไม่ครัวอาจารย์เราก็เช่นเดียวกันแต่ท่านข้ามท่านพ้นจากสิ่งน้อยนี้แล้วในทุกครั้ง น, นั่นก็แปลว่าถ้าเราไม่บริโภคกา ร, รมงคณ ทำไมที่เรียกว่ากรมมาคุณทั้งทั้งเด็มันเป็นโทษแต่มันมีคุณอยู่นะมันมีคุณของมันตรงนี้แหละถ้าไม่มีกรรมก็ไม่มีเราเกแต่ว่ารมีเสร็จแล้วก็อย่าไปใช้มันนี่คือคำหมายครับว่ากรมมาคุณเกิดรูปสิ่งเกริรูปผลสุดท้าเราก็วนอยู่อย่างนี้แหละเป็นเครืร่องมือกันห้ามีกันห้าได้เสซนุ่ยยุ่ต้องตามมา เราจะต้องเกี่ยวข้องแวะกับสิ่งเหล่านี้ตลอดชีวิตเราเลยไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งไม่มีวันไหนที่เราไม่เกี่ยวข้องเลยกับสิ่งหล่านี้เพียงแต่ว่าเราไม่เข้าใจคือไม่เกิดปัญญาอะไรเอถ้าเกิดปัญญาแล้วอ๋อมันไม่ตายคนที่ไม่บริโภคเลยก็ไม่ตายผมก็แม่เขา้าใจอาจารย์เรา อยู่แปดสบปีเก้าสิบปีเป็นร้อยร้อยกว่าท่านก็มาในตายอันนี้คือโดยความหมายเพราะฉะนั้นในสังโยชน์ 10, ทั้งสิบท่านก็ค่อยเป็นทีละขั้นทีละตอนอยู่ในขั้นการมนุษยอนาคามีอนาคามีมันมีเหมือนกับไม่มีโดยความหมายเราก็ท่านก็ยังคุมไม่กลับมาอย่งพวกเราถ้าจะไปต่อขา้างหน้าถ้าไม่พ้น มีเหมือนไม่มีเหมือนก็ว่าโดยธรรมชาติของเขาก็มีปกติแต่ไม่มีกามแสดงออกมีความอยากมไม่ได้มีอะเกี่ย ว, วข้องมันจะแห้งไปโดยอัตโนมัติอืจะไม่มีฝันฝืนอย่างพวกเราพูดตรงๆอย่างงี้ยนะคืออนาคามีโดยความหมายส่สกัตาคามันก็ยังเกี่ยวข้องอยู่มันใช้อยู่ส่วนโสดาไม่ต้องพูดถึงคือเรื่องปกติทั่วไปของโลก ตัวอย่างเช่นนางริชด า, าเป็นต้นมีคนไปถามที่สิงคโปร์ว่าปฏิวัติทมแล้วแต่งงานให้ไหมโอ้มันยังไม่ได้เกี่ยวกันเลยจะไปพูดไปเกี่ยวข้องกับเราคนละเรื่องกันมันคนละส่วนกันถึงคนไม่ไแต่งงานมันก็ไม่ได้แปลว่าการแต่งงานกเกี่ยวข้องกับการมันไม่ได้เกี่ยวเข้าใจไหมคําว่าการไม่ได้เกี่ยวกับการแต่งงานเลย มันจะมีต่างเยอะแยะรูปสิ่งเรื่องผลิตภัณฑ์ตามอารมณ์มันไม่ใช่เรื่องการอารมณ์อย่างเดียวที่เราเข้าใจมันไม่ใช่เถือว่าเล็กน้อยมากถ้าเข้าใจอย่างเนี้นถือว่าเข้าใจเล็กน้อยมากๆเลยในเรือคัญมันเขาว่ามีเหมือนไม่มีเป็นอย่างนี้เพะงันค ว, ควจะถึงขั้นนั้นใจเราต้องมั่นคงในพระทัยเป็นเบื้องต้นคนจะมั่นคงได้ก็ต้องฝึกอย่างเก่าของตัวนฝึกให้มีสติ ดูง่ายดูวาายวากาว่าจานกระดาษพระไหว้พระอยู่ตรงไหนก็เราจะมองพู้ตรงไหนดูความมีสติดูความจำเกรงเดียวกันเรื่องเรื่องถึงพุทธคุณธรรมคุลสาคุณไม่ได้คิดว่ามองเป็นทองเหลืองหรือปูนหินทรายไม้แต่ถ้าเราเข้าใจกันกราบพุทธคุณคือพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากราธิคุณนี่คือกาบคุณไม่ได้กาบ พุทรูปเราปูนห็นเดนไาน์นึกถึงอะไรก็เป็นมันเป็นแค่พุทธรูปะแต่ว่ารูปเปรียบของพระพุทธเจ้าเป็นสัญลักษณ์ทํำด้วยอะไรก็ได้หรือจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ไม่มีแล้วคนถ้าไปมันจะนึกไปออกดูรูป่างหน้าตาเป็นยังไงนึกไม่ออกแต่ถ้ามีเราก็นึกออกแต่เนื่องจากพุทธิสเรามีหลายปาง ก็จะเป็นคำถามทําไมแต่ละปางไม่เหมือนกันน่าเป็นเรื่องของพุทธศรรินมันไม่ได้เกี่ยวเลยเป็นเรื่องของพุทธศรรินแต่ละยุคแต่ละสมัยอแต่ถ้าเข้าใจไปโม่งคนที่พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหรือบริสุทธิคุณพระยายคุณพระมหารการาจริคุณแค่นี้ถือเราเข้าใจแล้วก็กาพัฒนเสน่ห์กาเพราะเขามีสติเพราะฉะนั้นเบื้องต้นพระโสดาบันจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้มั่นคง เอาชีวิตเป็นประกันสินก็เช่นเดียวกันสินเราจะมุ่งปฏิเสธห้าจะมีสินชัดเจนเป้าหมายในการลงชีวิตไม่มีอื่นนอกจากนี้อุปถัมภงต้นสักยะทิฏฐิเข้าใจเข้าใจรูปนามอันนี้คือขันห้าพูดง่ายๆอย่างน้อยที่สุดก็เข้าใจเรื่องของขันที่ว่ารูป จริงมันก็คือดินน้ำไฟลมที่เราก็าจว่ารูปคือร่างกายตัวตนของเราท่านเข้าใจว่าเออนี่คือดินน้ำไฟลมมองเป็นดินมองเป็นน้ำมองบนไฟมองเป็นลมวันหนึ่งเมื่อตายถ้าเราเรียกว่าตายเหมือนฝั่งนู้นตอนนี้เหลือแต่ดินถึงคือร่างกายน้ำเหลือแต่น้ำเหลืองแล้วอื่นๆไฟในตัวก็ดับความอุ่นๆที่เผาผาร่างกาย น, นีลมก็หมด มันคือดินท่าไฟลมก็ชาวโลกเขาก็ไปจัดการตามระเบียบถ้าเป็นเืองื่ น, นเราไม่เรียกว่าสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าขยะก็ไปจัดการขยะไปเผาไปฝังไปจัดการอะไรก็ได้แต่นี่เป็นคนเราจะเป็นต้องทำให้เป็นระบบระเบียบเรียบร้อยจริงๆแล้วมันก็คือดินน้าไฟลมประโยชน์ลงดินเข้ากลายเป็นเป็นน้ํากระจายไปตามสภาวะ อันนี้คือจิตกองท่านโซดาท่านก็จะเข้าใจทันทีในเรื่องเหล่านี้เพราะนั้นสิ่งที่จะจะปรุงจะแต่งที่เรียกว่าสังกัตธรรมมันก็จะเรื่องลดน้อยถอยลงไปหมายคือว่าอุปาทานการยึดการถือเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายรูปร่างกายนี้ก็จะน้อยลงคืออุปาทานนั่นเอง ผมจะถือโอทางในขันห้าเนี่ยมันจะเข้าใจคืออยู่ด้วยความเข้าใจมองด้วยความเข้าใจไม่ได้ยดไม่ได้หลงจนมากเกินไปพร้อมที่อยู่พร้อมที่จะไปมั่นคงไม่ถอยหลังถอยหลังอีกก็ไม่กี่ปีแล่นคือความมั่นคงของชีวิตมันเกิดขึ้นซึ่งต่างกับสัมพสัตทั้งหลายมันไม่มีความมั่นคงไม่มีความแน่นอนเกิด ค, ความกลัว มันกลายเป็นภัยกลัวว่าที่เข้าใจว่าตายคือดินน้ําไฟลมมันสลายไปแล้วเนะี่ยก็ไม่เข้าใจว่าอะไรมันตายอะไรมไม่ตายยิ่งจิตมันไม่เคยตายว่าอาจารย์ก็บอกมาตลอดผู้เจ้าก็บอกมาก่อนมันไม่เคยตายเราเข้าใจเองว่ามันตายมันคือเกิดความกลัวมันไม่ตายแล้วมันไปไหนอื มาแล้วแต่ภูมิคือชั้นความฉลาดของจิตมันอยู่ในระดับไหนมันก็จะไหลไปตามนั้ น, นกันเรียกว่าภูมิเพราะนั้นความฉลาดของจิตของเราเกิดจากอะไรถ้าไม่เกิดจากการปฏิบัติเราจะรู้ได้ไงในระดับไหนเหมือนคนเดินมาถ้าเราไม่สนทนา ด, ด้วยไม่คุยด้วยเราจะรู้ได้ไงเขาทำอาชีพอะไรเขาเรียนอะไรเขาจบอะไรไม่มีใครรู้นั่นคือภูมิของรู้ที่เขามีอยู่ แต่ถ้าเราพูดคุยสนทนาเรียนรู้ด้วยกันเราจะเข้าใจอโหนี้จบจบด้านมาจบที่มาทำงานนั่นนี้จึงมีความรู้จริ ง, รงๆเราไม่รู้จิตของเราเช่นเดียวกันถ้าเราไม่ปฏิบัติยากที่จะเข้าใจและที่สำคัญจิตมันคล่องมันติดอยู่ต้ไนไม้ต้องระวังอย่างยิ่งเรืวเจ็ตสุดท้ายถ้าเราไม่เคยฝึกเคยหัดแม้แต่หายใจยังไม่เป็น คิดตัวเองหายใจได้หายใจเข้าหายใจออกที่จริงหายใจยังไม่เป็นหายใจยังไม่รู้ว่าหายใจเข้าตอนไหนหายใจออกตอนไหนรู้อย่างเดียวว่ามีลมหายใจอยู่คือไม่ตายนั่นแหละแต่เอาเข้าจริงๆแล้วหายใจเข้าตอนไหนหายใจออกตอนไหนไม่รู้เลยหายใจเข้ามันยุบมันพองหายใจเข้ามันไปถึงไหนมันออกถึงไหนเรียกว่าลมลมเข้าลมออกนะ่ถ้าไม่มีลมเข้าไม่ออกพรานั้น วิธีเดียวก็คือลองกั้นดูลมถ้าเราไม่เข้าจะเป็นหายใจเข้าแล้วกั้นเอาไว้ค่อยบอกหายใจออกแล้วกั้นไว้แล้วมันจะมีสติคือสติคําว่ามีสติคือสติวิ่งกรหาตัวเองก็มันกวตายนั่นแหละมันกั้นลมหายใจถึงหัวใจมันเคยเต้นู้ปับผู้ปบปับผูั บ, บ, บ, บ, บ, บ, บ, บ, บเป็นสาสตญาจารว่าถ้าถ้าไม่หายใจอย่างนีมันอยู่ไม่ได้ถ้าเลือดไม่ไปเลี้ยงสมองมันอยู่ไม่ได้นะ กลไกของร่างกายมันจะสั่งอัตโนมัติเราต้องบอกนี่คือการฝึกสติให้สติอยู่กับเราให้มากสุดสติก็ไป็นทมาของควาทุกข์และทบ ก, ก็คือยืนเดินนั่งแล้วก็นอนแต่ว่านอนมันไ ม, ม่สติดังกล่าวเปเอ๋บอกถึงใช้ไม่ค่อยได้ยืนนานไม่ได้เพราะว่ารู้สึกว่ปเลี้ยงสมองหลางอีบุที่เราใช้ได้มากที่สุดคือ นั่งกับเดินเดี๋ยวนั่งสมาธิเดินจงคมเป็นเอวุต่มันใช้ได้สลับรเปลี่ยนกันไปแต่ทำอย่างไรอริยบทนี้นั่งก็ดีเดินก็นดีให้มีสติกากับอยู่เพอบ้างไม่เป็นไรดึงกลับไปเดินกลับมาเปนการต่อสู้กันแต่นี่เราไม่ต่อสู้เลยถ้าเราปฏิบัติหเหมือนก็ไม่ต่อสู้เลยไม่ต่อสู้เราก็าไม่มีคู่ต่อสู้สุดท้าย เราก็เป็นเหยื่อพอเราไม่ได้ต่อสู้ไม่ได้ดิ้นรนมันก็เป็นอย่างนี้ต้องไปเกิดจนตายมันถึงต่างกับผู้แเจ้าเพราะนั้นผู้เจ้าเมื่อจรัสรู้รู้สิมและพยายามที่คะยแผ่ชี้แจงสแสดงให้สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะยิ่งคือคนที่มีบารมีใกล้จะเต็มแล้วือพูดไม่มีคำเข้าใจเกิดปัญญา ก็ไปโปรดพยายามไปโปรดโคณนให้มากเท่าที่มากได้ส่วนคนทั่วไปก็ปูพื้นฐานให้เกิดส ต, ตาเช่นภานาเรื่องเรื่องพานภานาเรื่องศีลเรื่องสวรรค์เรื่องโทษของกรรมใ น, นโนทของกรรมสี่ห้าอย่างแล้วก็สุดท้ายคือในคำบัง ถ้าใครรูศาสนาบาลมิยังพอแล้วก็เป็นเป็นคำพูดเป็นคำเทศนาที่พระเจ้าใช้เยอะที่สุดในชีวิตในการปผวยแผลก็คืออันนี้ก็คือหัวข้ออันนี้แหละที่พระเจ้าเยอะที่สุดถามว่าในบรรดาคำเทศนาที่พระเจ้าใช้มากที่สุดเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่า คนที่ยังไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจมีมากกว่าคนที่รู้เห็นเข้าใจพูดง่ายคนที่ยังมีบารมีน้อยมีเยอะกว่าที่คนมีบารมีมากคือพร้อมที่จะพูดไดนหน่อยก็เหมือนน้าเต็มหยอดเติมเติมไปขันสองขันก็เต็มแล้วเดี๋ยบารมีเต็มส่วนที่ยังอยู่ก้นโอ่งอยู่ก็ต้องพูดอย่างนี้เพราะนั่นเป็นที่บาที่พวกเราทุกวนะันนคือจะ น, นึกนึงทานเป็นหลัก กายเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตเลยมันอื่นลืมไปหมดเลยก็จะเน้นเรื่องทานไปวัดไหนก็จะน้นเรื่องทานทานว่า ด, ดีไหมดีแต่มันไม่ไปไหนมาไหนต่อจากนั้นพเจ้าอีธ4ข้อไม่พูดถึงเลยใ น, นเขาเรียกว่าูดถ้าเป็นภาษาเลยว่าพูดไปครบประเด็นมันครบประเด็นที่พระพุทธเจ้าสอนเพราะฉะนั้นในการบวชในขบมาขังนี้เราก็พยายามจะพูดให้มันครบหมด ให้ครอบประเด็นแล้วก็ครอบบนที่ผู้เจ้าว่าพระสูตรคือเกิดแตสรู้คือรู้ความจริงแล้วก็ลิพานคือตาย อ, อยนางนี้ให้มันครอบประเด็นให้มันมากที่สุดคือเห็นคุณคเห็นโทษคือถ้าเรากิดใจคําเดียวอย่างเรารบเราว่าอาการมันตัดมันสังชาติได้ไหมมันการอารมณ์ก็ถึงได้อยู่ได้ถึงทุกวันนี้อยู่ได้ถึงวันก็เพราะคํา บางคําไม่ยินคำมีประโยชน์มันมันสะดุดแสดงว่าคําคําเนี้ยมันไม่ได้เพิ่งเคยได้ยินมันต้องเคยได้ยินได้ฟังอย่างนี้มาก่อนแล้วดังนั้นไม่สะดุ ด, ม, ม, ด, ดมันไม่สะกิดใจเนี่ยคําบางคำทีนี้หน่อยถ้าเราฟังแล้วมันเป็นประโยชน์มันสะกิดใจแสดงว่าจิตใต้สำนึกของเก่าเรามีคือบเบามีคราเพราะนั้นก็ ที่เรามาทุกวันได้ยินใน้ฟังก็สุนทรภูมิก็มาทบทวนมาพเพิ่มเติมอธิบายว่าพระพุทธเจ้าของเรานะทําไมพระเจ้าถึงทิ้งทั้งหมดที่เป็นสัญญาสัญญาคือความ จ, จำจําได้ไหมดูการเรียนรู้การเล่าเรียนทั้งหมดศิลปะวิทยาทั้งหลายเลยที่พระเจ้าเรียนมาตั้งแต่ เ, เด็กจนโตพระเจ้าเรียนเยอะกว่าพวกเราเนาะ ไม่ใช่คไม่เรียนสูงสิบแปดสาขาไปดูถ้าเป็นปริญญาก็สิบแปดใบมีใครที่เืีนได้ขนาดนี้นีพระพุทธเจ้านะไม่ใช่คนประปรบเปลือยเนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่พระองค์ข้อมดแล้วสรุปแล้วย่อแล้วให้พวกเราควรจะศึกษาเรียนรู้และขยายความด้วยสติปัญญาที่เรามีอนั้นถ้าไปมีก็พยายามทําให้มันเกิดสติปัญญาถ้า ไม่มีสติปัญญาพยายามฟังจากคนผู้มีสติปัญญามันเป็นจะได้ประโยชน์ปนัจจุบันการสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทั้งปวงไม่ใช่สิ่งที่เราได้เคยได้ยินได้รู้มาก่อนเพียงแต่มาฟังซ้าเหมือนกับปลาอาหารที่เรากินนี่แหละมันไม่มีอะไรที่เราไม่เคยกิ น, นะแต่ทําไมเร า, าก็จะกินทุกวันมันขาดไม่ได้ธรรมะ ก, ก็เหมือนกัน ล้วเราบอกโอ้เราได้ยินแล้วไฟังมาแล้วรู้แล้วมันรู้ไม่จริงอ่ะรู้ที่เป็นสัญญาเฉยๆรู้ที่มันไม่เป็นไม่ใช่ที่เป็นปัญญาทายุเป็นปัญญาปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นอีกรู้ก็เป็นสัญญาเช่นรู้ว่าเออ้ําวเนี่ยมันร้อนนะเรารู้ว่ามันร้อนถ้าจับเมื่อไหร่กินเมื่อไหร่ลวกเมื่อไหร่อ่ขาวหน้าไม่ีทางรู้ามันไฟนะต้นไม้มันสูญอย่าไปขึ้นอย่าไปสนนะ พอขึ้นไปพื่หล่นตบตบลงมาเนี่ยต่อไปไมันไมขึ้นล้วเรจะรู้แล้วเป็นประสบ ก, ก, ก, ก, การณ์ตรงทางโลกเขาเรียกวประสบการณ์ตรงซึ่งเป็นเรื่องสําคัญแต่บอกเราเฉยไม่รู้ไฟเพื่อนจะไปจ่าวนีนมันดูดนะถ้ามันดูดเมื่อไหร่เออเก็บ จ, จำจนตายอะตัวนี้เนะยเหมือนกันเพราะเราไม่เคยได้รับบทเรียนเราอาศัยแค่มันเป็นสัญญาหรือความจาได้ไหมรู้สุดท้ายทนทวดเขาบอกว่า ควสัญญานี่แหละมันจะกลายเป็นเครื่องพันธนาการตัวเราเองดิ้นไม่หลุดของที่เรามีอยู่ตั้งแต่เกิดจนจนนับบัดนี้ที่เราจํากันมาเนี่ทั้งดีไม่ดีทั้งชอบไม่ชอบครอบครัวไม่ใช่ครอบครัวหน้าที่การงานจำจำจำจำจ ำ, จำมันเป็นสัญญาเป็นความจําได้หมายรู้สุดท้าก็ติดข้องมัดอยู่เนี่ยไม่สามารถที่จะดิ้นหลุดหรือแก้เชื่อกันนี้ออก ยิงจำเยอะกับมัดตัวเองมัดเข้าจนดึงไม่ออกติดขัดไปหมดอันนั้นก็พอ่อนั้นก็แม่นั่นก็ลูกนั่นก็สมบัตินั่นก็ลูกหลานสุดท้ายสิ่งแรกจะมัดตัวเองมันคลายไม่ออกดึงไม่ออกนั่นอันนั้นการปฏิบัติธรรมมันต้องการทั้งข้าใจอย่างน้อยเดี่ยวก็แค่ให้เรามีสิ่ง ล, ลดน้อยถอยลงไปใช่บ้างไม่ใช้บ้างก็อยูนีแต่สําหรับพระครูอาจารย์นั้นแล้วท่าน ไม่ได้เอาสิ่งเหล่านี้เป็นหลักเป็นประเด็นวันนั้นเราจึงพูดอยู่เสมอว่าเรื่องโลกก็ทําเอาส่วนทำนะทําทิ้งแต่เราไม่เคยทิ้งทําแล้วก็อยากได้แม้แต่ปฏิบัติธรรมเห็นในมิตเป็นในมิตก็อยากให้ธรรเกิดในมิตรเองนะแต่พุทธบอทําทิ้งไม่ได้ทําเอาซึ่งมันจะเป็นจะมีมันเกิดขึ้นมาเองเพราะเรามันจะมีมันจะเป็นมันจะเกิดโดยอัตโนมัติแล้วก็ทําให้เป็นธรรมชาติ ว่าจะเป็นนิมิตจะเป็นกระสินแลไรก็ตามให้มันเป็นธรรมชาติก่อนถ้าว่าธรรมชาติออกมาก็ว่าสร้างได้สั่งให้มันเกิดก็ได้ใช้มันดับก็ได้ให้มันเล็กก็ได้ให้มันใหญ่ก็ได้ต่ออย่างนี้ก่อนมันถึงจะใช้ได้แต่จะเป็นชั่วค้างชั่วคราวแต่ว่าของเรืนี้ถ้ามันไม่เกิดถ้าคือถ้าเราไม่เคยทํามาก่อนไม่เคยฝึกมาก่อนทั้งในปัจจุบันหรือในอดีตก็ดีมันไม่ใช่เรื่องงง แต่แลราเคยมีในอดีตที่เคยเคยเคยเป็นมาแล้วเคยฝึกมาแล้วหรือปัจจุบันแต่เคยฝึกมาแล้วเคยทำมาแล้วแต่ทางไม่ก็ฝึกเอาได้แต่ไปโทษอดีตเอาปัจจุบัน่ฝึกเอาได้ปฏิบัติคิดได้แต่เพื่อแนวความคิดอะมันไม่ได้อยู่ในความคิดของพวกเรามันก็เลยเป็นเพราะนั้นทนเอาอดเอาให้เข้าใจว่ารูปเป็นอย่างนี้นะเวทนาเป็นอย่างนี้นะสัญญาเป็นอย่างนี้นะ สังขารเป็นวิญญาณเป็นอย่างเนี้ยมันก็มีกันแค่นี้แหละเราก็เป็นพี่น้องกันห้าห้าห้าคนนี่แหละพี่น้องเราอมันไม่ได้มีญาติเยอะขนาดนี้เลยแต่มีพี่น้องห้าคนยังยังเรียนเรียนรู้ไม่หมดเรา ย, ยังไม่เข้าใจเลยมูจะไปะโทษอะไรก็ได้นะเพราะนั้นมีไม่เยอะเป็นพี่น้องห้าคน ก, ท ก, ก, นกรรน็ทำความเข้าใจกันซะในการเรียนรู้ทาความเข้าใจเพื่อจะอยู่ด้วยกันได้จะได้ไม่ทะเลาะ ก, กัน ทุกคนมันทะเลอะ ก, กันะพี่น้องนะฮะคนภาษาไม่มททมอคีกกันกมันตะเลาะกันเพราะควาไม่เข้าใจก็ว่างกันไม่ได้วันหนึ่งพี่น้องอีสี่สสสท่านสี่ตัวเหมือนฝั่งโน้นตอนเนี้ยพี่น้องอีสีท่านคือเวทนา ส, าสัญญาสำคัญเขาไม่อยู่ครับตัวรูปแล้วนะรูปคือดินน้าไฟลมเขาไม่อยู่แล้วเขาจะไปไหนต่อสี่ตัวแต่สีตัวนั้นเป็นนามมีแช่ชื่อนะมันต้องมีที่อยู่นะ เหมือนคนหนึ่งมันต้องมีบ้านเหมือนพอเราออกมาเนี่ยกันในบ้านก็คือร่างกายเราก็คือจิตแต่พอเราบ้านมันไม่เป็นไรเรากลับเข้าไปบ้านเนี่ยจิตก็เหมือนกันเข้ามาในร่างอีกได้แต่ถ้ามันเข้าร่างไม่ได้มันกูตายเนี่ยจิตมันเข้าร่างไม่ได้แล้วมันก็ะเลยก็สี่ตัวคือเวทนาจารยขันแต่มันต้องอาศัยรูปไปจะเป็นรูปหยาบรูปละเอียดก็ตามรูปที่มันนึกขึ้นมาได้แล้ว่าโมโนภาพ วัตภาพภาพที่ใจมันนึกแล้วออกมาเป็นภาพจรียกว่ามันก็อาศัยตัวนั้นแหละแต่เป็นเสวยอย่างเดียวนะไปทําบุญทําบาปจากพวกเราไม่ได้ไปยืนเดินดั้งน้องตัวพวกเราไม่ได้ไปเสวยคือรบต้นการพิธนาคือเสวยสุขเสวยทุก์ตามที่ตัวเองคิดพูดทําในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นความคิดคําพูดการกระทําเป็นตัวชี้นําชีวิตของพวกเราว่าจะเป็นไปในทิศทางไหน ไปสูงไปต่ำและเป็นดําเป็นขาวก็อยู่สามสามท่านนะั่นแหละเกิดจากความคิดเกิจากความรการทัางที่เรียกว่ากรรมด้วยกายกรรมวิจิกรรมมโนกรรมก็ต้องระวังผู้จงเจงว่าสํารวมคือระมัดระวังจึงเป็นทีมาคําว่าศินทําไมเราต้องมีสินเพราะนั้นพระอริยะเบื้งต้นแต่สิ่งเหล่านี้ท่านมั่นคงกว่าพวกเราไม่ได้เหมือนพวกเราคือโยนใน กมลสันดาล่พูดยังไงมันไม่ใช่เหมือนอย่างพวกเราอยู่ในจิตทัศ น, นึกเลยซึกต่างจากพวกเราเพราะว่าท่านฝึกขนาดไม่ได้ฝึกแค่ชาติเดียวปีเดียวท่านฝึกมานานพวกเราก็ถือว่าก็ถือว่ามาต่อยอดถือว่ามาฝึกจะไปท้อจะไปถอ ย, ถอยมาถึงขนาดนี้แล้วแล้วจะไปต่อขนาดไนไม่รู้นี่ก็ต้องระวังอยูถึงอายุของพุทธเจ้าหรือเปล่าไม่รู้พุทธเจ้าอยู่ได้ถึงแปดสิบพรรษา แปดสบปีบอกเราสี่สิบกว่าห้าสบกว่าหกสบกว่าคนพูดก็หกสิบไปไปน่าจะอยู่ถึงผู้เจ้าหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ไม่เป็นไรถือว่าเราทํามาดีแล้วอย่างหลวงพ่รับอกห้าสิบกว่าปีคุม้มสําหรับชาตินี้คมยิ่งกว่าคมชาติอื่นไม่รู้แต่ว่าชาตินี้กึ่งวัดชัดเจนว่าคุ้มในการที่เกิดมาชาตินี้ เจอพระพุศาสนาเจอครูบาอาจารย์เจอขรยานามิตรที่ดูแม่นะําในทางเจนถึงได้บมานีน้แล้วก็เป็นจะเป็นผู้แนะเป็นผู้นําเราทั้งชักทั้งจูงทั้งลากพว้เราไปอย่างเงี้ยตะตูตะไทมันยากระบากไงก็ไปดูกันอย่างเงี้ยถือว่าโชคดีต่างคนต่างโชคดีกันไปเล่นมาเจอกันมันก็ขออนุโมนากรดณาผูเราทุกคนที่ เรายังมีชีวิตยอยู่ไม่วนฝั่งโน้นฝั่งโน้นเขาเขาลากกันมานะก็หามากันมานะมีขาวาน ด, ดานแต่พวกเราไม่ใช่มาด้วยความเต็มใจมาด้วยความศรัทธามาด้วยสองแขนสองขาตัวเองก็มาสถา่าเรียามาทัวทางเลยไม่งั้นวันหนึ่งข้างหน้าเขาก็จะหามากันมานะโดยไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะไม่รู้ด้วยตามไปแล้วก็รอคนอื่นทําบุญทดำกุศลให้จะถึงหรือเปล่าก็าไม่รู้ ฉะนั้นเรายังมีชีวิตยอยู่เดือนนี้เป็นเดือนที่เราจะต้องน้อมระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังคุณของพระพุทธเจ้าและก็ขออานาจคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหมดที่บำเพ็ญมาในอดีตชาติคือปัจจุบันชาติกดีจบมีผลดลบันดาลให้พวกเราทั้งหลายได้มีสุขตามสุขาภาวะตามอัตภาพทั้งตนที่สําคัญคือขอให้ เห็นดวงตาเห็นธรรมทีพ่พ่อแม่ครัวยันทั้งหลายได้เห็นแล้วมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นประธานจงทุกคนทุกท่านเทิด